วันนี้มีศรัทธาญาตโยมที่ไม่เคยมาฟังเทศฟังธรรมกันมากันเป็นครั้งแรกเป็นจำนวนมากก็อยากจะบอกวิธีการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดว่าควรจะฟังอย่างไร การฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดควรฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองกายวาจาสงบเรียกว่าศีนใจสงบเรียกว่าสมาธิศีนสมาธิเป็นเหมือนภาชนะที่จะรองรับปัญญา คือความรู้จากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็เหมือนกับไม่มีภาชนะไว้รองรับนั่นเองเมืดความรู้หรือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนอาหารการที่เราจะรับอาหารจากพระพุทธเจ้า เราก็ต้องมีภาชนะคือมีจานเวลาเราจะรับประทานอาหารเราต้องมีจานไว้รองรับอาหารถ้ามีแต่มือเปล่าๆก็จะรับได้ไม่มากแต่ถ้าเรามีภาชนะมีจานมีชามเราก็สามารถตักอาหารใส่จานใส่ชามได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้เอาอาหารไปรับประทาน ให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงใจของเราก็ต้องการอาหารอาหารของใจก็คือธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้ใจของเรามีความอิ่มหนำสำราญใจมีความสุขมีความสบายใจเวลาที่เราต้องการธรรมะ เราจึงต้องเตรียมภาชนะไว้ไปไปรับอาหารไปรับธรรมะจากพระพุทธเจ้าภาชนะที่รองรับก็คือศีลสมาธินี่เองกายสงบวาจาสงบเรียกว่าศีลทำอย่างไรถึงเรียกว่ากายสงบวาจาสงบกายสงบก็คือเวลาฟังธรรมเราไม่ควรทำอะไร เราควรนั่งเฉยๆร่างกายไม่ควรที่จะทำนู่นทำนี่ให้นั่งเฉยๆส่วนวาจาก็ไม่ให้พูดคุยกันต่างคนต่างนั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยกันเพราะว่าถ้าเราทำอะไรทางร่างกายหรือพูดคุยกันใจของเราก็จะไม่ได้มา ฟังธรรมนั้นเองถึงแม้จะได้ยินเสียงแต่จะไม่เข้าใจใจจะเข้าธรรมจะไม่เข้าไปถึงในใจเนื่องจากกายกับวาจาของเราไม่รองรับพระธรรมคำสอนนั่นเองนอกจากกายวาจาที่สงบแล้วใจก็ต้องสงบด้วยคือใจต้องไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่คิดถึงเรื่องธรรมติดตามตั้งใจฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็พิจารณาตามถ้าเราพิจารณาตามได้เราก็จะเข้าใจความหมายว่าธรรมที่แสดงไว้นั้นแสดงเรื่องอะไรบ้าง แล้วเราก็จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาหรือถ้าเราฟังธรรมแล้วเราไม่สามารถพิจารณาตามได้เนื่องจากเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ถ้าเรายังตั้งใจฟังอยู่กับเสียงธรรมเราก็จะได้ใช้เสียงธรรมนั้นเป็นอารมณ์กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ ตาไม่ใจเรานิ่งสงบเกิดความสุขขึ้นม า, าการฟังธรรมจึงสามารถฟังได้สองแบบฟังให้เกิดความสงบถ้าใจเราไม่สงบเราอาศัยการฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกาะอยู่กับเสียงธรรมไปเสียงธรรมก็จะนำใจให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าเราพิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมที่แสดงไว้ได้เราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมานี่คือวิธีการฟังธรรมและไม่จำเป็นที่จะต้องมีกระดาษดินสอไว้จดบันทึกการฟังธรรมนี้เราต้องการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะไม่ลืมมันจะอยู่ในใจถ้าเรามัวแต่จดทมที่เราได้ยินได้ฟังเราจะไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณาตามเราจะคอยจดคอยจำแต่ทมที่เราได้ยินแต่เราจะไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่เราได้ยินได้ฟังจดไปแล้ว บางทีวันหลังกลับมาอ่านดูก็ไม่เข้าใจว่าจดอะไรไปบ้างดังนั้นการฟังธรรมนี้โดยหลักเราไม่ต้องการจดจาเราต้องการความเข้าใจเหมือนเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนเราไม่รู้จักทางเราก็ถามคนที่บอกทางว่าจะไปที่นั่นไปอย่างไรเราก็ตั้งใจฟัง ให้เขาอธิบายให้เราฟังว่าไปตรงนั้นถึงตรงนั้นแล้วให้ไปทำอย่างนั้นให้ขึ้นรถสายนั้นสายนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามใหม่ว่าช่วยอธิบายอีกทีว่าทำอย่างไรเดินทางไปอย่างไรถามไปจนกว่าจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องจดเพราะจดไว้เดี๋ยวหายถ้าเกิดหายไปก็ยุ่งแต่ให้มันจดไวในใจดีกว่า ให้มันจดให้มันเข้าไปในใจด้วยการเข้าใจการที่จะเข้าใจเราก็ต้องตั้งใจฟังฟังทุกคำพูดที่เขาพูดมาที่เขาบอกมาพอเขาพูดเขาบอกแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะจำได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกระดาษบันทึกเอาไว้เพราะว่ากระดาษที่เราเขียนไว้บางทีมันก็หายได้ หรือบางทีเราจดแล้วเราไม่เข้าใจเรากลับมาอ่านเราก็ไม่เข้าใจว่ามีความหมายว่าอย่างไรนี่คือวิธีการฟังธรรมถ้าฟังด้วยศีลด้วยสมาธิใจจะสามารถรับปัญญาได้ปัญญาก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้แล้วนำเอามาสอนพวกเรานั่นเอง ในสมัยพุทธกาลครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทรงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีคือรูปศิษย์ที่คอยติดตามพระพุทธเจ้าห้ารูปด้วยกันท่านเป็นนักบวชเป็นผู้สงศีลเป็นผู้มีสมาธิเข้าฌานได้จิตใจสงบเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ท่านก็ตั้งใจฟังด้วยกายวาจ่ายใจสลบสัตย์สงบแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังพอหลังจากฟังเสร็จหนึ่งในพระปัญจวคีก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือเข้าใจความหมายของธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาสั่งมาสอน เข้าใจถึงพระอริยาาสัจสีเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆที่เกิดแล้วแต่ไม่อยากให้เขาดับนั่นเองแต่พอเห็นความจริงว่าถ้าเรา ไม่อยากจะทุกกับสิ่งต่างๆเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีการเกิดก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาอย่าไปอยากให้มันไม่ดับเพราะเวลาอยากให้มันไม่ดับแล้วใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเช่นร่างกายของพวกเราเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ทำไมพวกเราจึงทุกข์กับร่างกาย ทำไมจึงต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เพราะพวกเราไม่ยอมให้ร่างกายแก่นั่นเองไม่ยอมให้ร่างกายเจ็บไม่ยอมให้ร่างกายตายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นความผิดของเราเองที่ไม่เห็นความจริง ว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายกันแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของต่างๆย่อมเป็นเหมือนกันหมดคือเมื่อเกิดแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามีการเจริญแล้วย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยาก ให้สิ่งต่างๆไม่เสื่อมนั่นเองไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราได้มาเสื่อมไม่อยากจะให้เขาจากเราไปเราเลยทุกเราเลยวุ่นวายใจกันไม่รู้จักจบจากเส้นกันสิ่งต่างๆที่พวกเราอยากให้ไม่เสื่อมไม่ให้หมดไม่ให้จากเราไปคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง ที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้เกิดมานี้เราไม่ได้เกิดมาหาอะไรกันนอกจากมาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่เราไม่รู้ว่าลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดามันต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา แต่พอมันดับเราไม่ยอมให้มันดับใจของเราก็เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่แหละคือการขาดปัญญาถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไรก่อนที่อยู่ในโลก ที่ไม่ได้เข้าวัดนี้เขาไม่อยากจะฟังคำว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเป็นคาที่ทำให้ใจเขาไม่สบายเขาอยากจะอยู่ในโลกของความฝันฝันว่าอย่างไรฝันว่าทุกอย่างดีนั่นเองฝันว่าทุกอย่างจะมีแต่เจริญอย่างเดียวทุกอย่างที่เกิดมาแล้วจะมีแต่เจริญจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด นี่คือโลกของความฝันของคนที่ไม่เคยเข้าวัดเขาจะฝันอย่างนี้กันฝันว่ามีอะไรแล้วจะต้องอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันที่จะจากเราไปแต่ความจริงไม่ช้า ก, ก็เร็วก็จะต้องมาปลุกให้เขาตื่นจากความฝันเพราะสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่นี้ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันพัดพลาคจากกันพอเขาไปพบกับเหตุการณ์เหล่านั้นเขาก็จะเจอความทุกข์อย่างมหาศาลเพราะเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องมีการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เขารักที่เขาชอบไปนั่นเองนี่คือเรื่องของคนที่มี รรกับคนที่ไม่มีธรรมะจะมีความแตกต่างกันคนที่มีธรรมะคนที่เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะได้ยินคำว่าอนิจจังอยู่เรื่อยๆจะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งเตือนให้เราหมัน่นเตือนตอนเองอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา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 คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตัดสรู้ทรงเห็นอนิจจงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงสิ่งต่างๆที่เราได้มารวมไปถึงร่างกายของเรานี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวพอร่างกายเราตายไป ของทุกอย่างที่เราหามาได้นี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเราจะไม่สามารถเอาอะไรในโลกนี้ติดตัวไปกับเราได้เลยเรามาตัวเปล่าๆ เ, เวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆ เ, เราคือใครเราก็คือดวงวิญญาณ น, นี้เองดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกาย พอดวงวิญญาณมาก่อติดกับร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อดวงวิญญาณว่าจิตเป็นจิตใจตอ น, นเวลาที่เรามีร่างกายเราก็เรียกดวงวิญญาณว่าจิตใจเหมือนกับญาติโยมสุภาพสตรีเวลาไม่ได้แต่งงานเราก็เรียกว่านางสาวพอแต่งงานพอได้สามีเราก็เรียกว่านางแต่เป็นคนเดียวกัน เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเปลี่ยนชื่อจากนางสาวมาเป็นนางจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณพอจิตใจมาได้ร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอดวงวิญญาณมาได้ร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจตอนนี้เรามีจิตใจกับร่างกาย เรามีจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ใช้ร่างกายเป็นผู้ไปหามาให้เราสิ่งที่เราต้องการคืออะไรก็คือลาบยศสรเสริมรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พอเราได้ร่างกายปั๊บ พอร่างกายเราพร้อมพอจเจริญเ ต, ติบโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ใช้ให้มันไปหาราบยศสรรเสริญกันทันทีพอโตขึ้นมาเรียนหนังสือจบเมื่อก่อนเคยขอเงินขอทองจากพ่อแม่พอเรียนจบแล้วเทนี้เราก็ไปหาเงินหาทองกันเองหาราบหายศกันหาตําแหน่งกันอยากจะเป็นอะไรก็วิ่งไปหากัน ตอนนี้เขาเปิดสมัครให้เป็นสสกันการอยากจะเป็นสสก็ไปสมัครเป็นสสกันการอยากจะเป็นสอวอก็ไปสมัครเป็นสวกันเพราะว่าเรามีความอยากอยู่ในใจใจทุกดวงที่มาเกิดในโลกนี้มีความอยากเป็นผู้พาให้เรามาเกิดกันเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเรียกว่ า, ากามตัณหา เรามีความอยากในลาบยศสรรเสริญอยากเป็นนั่นอยากมีนี่อยากนั่มอยากรวยอยากสวยอยากหลอ่อนี่เรียกว่าภาวะตัณหาแล้วเราก็มีความอยากที่จะไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปสิ่งใดที่เราได้มาเราจะไม่อยากให้มันจากเราไปอันนี้เราเรียกว่าวิภาวะตัณหานี่เกิ ตันหาความอยากที่เป็นตัวผักดานดวงวิญญาณของพวกเราที่ไม่มีร่างกายให้มาหาร่างกายกันให้มาเกาะร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปหาราบยศเสรเสริญหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลถภากร น, นี่แหละคือดวงใจดวงวิญญาณของพวกเราหรือจิตใจที่พวกเราใช้ร่างกายเป็นผู้ นับใช้เราแต่เนื่องจากเราไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนตั้งแต่เกิดให้เรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เราเราคือจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆความรู้นี้ไม่มีใครรู้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากที่ค้นคว้าศึกษาพิจารณาไป อย่างรอบครอบก็สามารถแยกจิตใจออกจากร่างกายได้ทรงรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นพ ร, ะ อ, พระองค์พระองค์คือจิตใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆดยงนั้นพระองค์จึงไม่ค่อยมีความกังวลเดือดร้อนกับร่างกายต่อความเป็นความตายของร่างกายเพราะพระองค์รู้ว่าพราะองค์ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายพระองค์จึงไม่มีความทุกข์กับเรื่องของร่างกายเพราะพระองค์รู้ความจริงของร่างกายรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่่งกายนี้ทำมาจากธาตุสีดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่เป็นผู้เริ่มต้นให้ อาศัยธาตุสีของพ่อแม่มารวมกันพอรวมกันก็อาศัยธาตุสีในท้องแม่หล่อเลี้ยงขึ้นมา จ, เเาจเนเติบโตพอร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ในท้องไม่ได้ก็คลอดออกมาพอออกมาก็เติมธาตุสี่ต่อไปออกมาก็หายใจหายใจก็ธาตุลมนี้เองลมก็คือธาตุลมก็คือลมหายใจ น้ำที่เราเดิมก็เป็นนมกับนมกับดินที่ผสมกันนมก็มีส่วนธาตุดินกับธาตุน้ำผสมกันเราก็อาศัยนมอาศัยอาหารซึ่งทำมาจากดินน้ำลมไฟนี่เองมาพอมาเข้ามาในร่างกายร่างกายก็จเจริญเติบโตขึ้นมาทำให้มีกระดูกใหญ่ขึ้นมีร่างกายโตขึ้น มีผมยาวขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟถ้าเราไม่หายใจไม่ดื่มน้ำไม่กินอาหารไม่มีความร้อนในร่างกายร่างกายจะเจริญเติบโตไม่ได้ร่างกายอาศัยธาตุทั้งสี่นี้คืออาศัยดินน้ำลมไฟเข้ามาหล่อเลี้ยงมาสร้างอาการสามสิบสองให้กับร่างกายทําให้ร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟัน มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตมีผังผืดมีปอดมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะมีน้ำเสลน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำมันค้นน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตา น้โมูกนี่คือส่วนประกอบของร่างกายที่ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนี้เองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายเลยถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาตามความเป็นจริงเราไม่อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นผมเราไม่ได้เป็นคนเวลาเรากอนผมทิ้งไปเราหายไปไหมเราก็ยังอยู่ เวลาถอนฟันออกไปหมดปากเราหายไปกับฟันหรือเปล่าเราก็ยังอยู่เพราะนั้นเราก็สรุปได้ว่าทุกสัดส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเราเลยเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเราเป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเปรียบเทียบเหมือนคนขี่ม้ากับมา้าคนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนละคนกัน คนขี่ม้าเป็นคนสั่งให้ม้าวิ่งไปไหนมาไหนพอม้าตายคนขี่ม้าก็ไปเดินไปหาม้าตัวใหม่ถ้าอยากจะเดินทางต่อก็ต้องไปหาม้าตัวใหม่ถ้ายังไม่มีม้าก็ต้องเดินไปก่อนเดินไปจนกว่าจะได้ม้าตัวใหม่พอได้ม้าตัวใหม่ก็กระโดดขึ้นขี่ม้าตัวใหม่ต่อไปใจเราก็เหมือนคนขี่ร่างกายนี่ เวลาเราไม่มีร่างกายเราก็ต้องเนร่อนเป็นดวงวิญญาณไปก่อนรอไปรับร่างกายอันใหม่พอเราได้รับร่างกายอันใหม่เราก็มาใช้ร่างกายอันใหม่มาทําอะไรต่างๆที่เราทํากันอยู่นี้ทําด้วยความหลงหลงว่าสิ่งต่างๆที่เราหานี้จะให้ความสุขกับเราหลงคิดว่าเราจะสามารถหาความสุขแบบนี้ไปอย่างไม่มีวันจบ อันนี้ทุกคนคิดอย่างนี้ทั้งนั้นทุกคนเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะต้องตายกันไม่เคยคิดว่าสิ่งต่างๆที่หามาได้ถ้าเป็นแทบตายในที่สุดก็ต้องทิ้งไปหมดถ้าถ้ารู้จะมรับรองได้ว่าไม่มีใครจะบ้ามาหาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหาไปทำไมตายไปเอาไปได้หรือเปล่าเอาไปไม่ได้แบาทเดียวหามาให้คนอื่นเ็าใช้หามาให้โง่าทาไมใช่อือ พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านสาละราชสมบัติใช่ไหมแท่รู้ว่าตายไปท่านก็เอาไปไม่ได้แล้วความสุขที่ได้จากสมบัติต่างๆก็เป็นความสุขที่วุ่นวายไม่เที่ยงแท้แน่นอ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความสุขที่มีความทุกข์มาคอยให้ความกังวลอยู่เรื่อยๆกังวลว่ามันจะอยู่ มันจะอยู่กับเราไปนานหรือไม่มันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะถูกใครก็ามาขโมยไปแย่งไปโกงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ความสุขจากสมบัติต่างๆพระพุทธเจ้ากลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่าต่อไปร่างกายมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอร่างกายมันแก่เจ็บด้วยจะตายมันจะไม่สามารถหาความสุขจากสมบัติต่างๆที่หามาได้ พระธธพุทธเจ้ากะเลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าสมบัติแบบนี้ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นกองทุกข์ต่อไปในอนาคตก็เลยลองไปหาความสุขอีกแบบหนึง่งที่พวกนักบวชก็หากันในสมัยก่อนก็คือหาความสุขจากการทําใจให้สงบนี่เองความสุขนี้เป็นความสุขที่อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรไม่สามารถที่จะมาลบล้างความสุขที่เราสร้างภายในใจนี้ได้ความสุขนี่แหละเป็นสมบัติที่เราติดตัวไปได้เวลาที่ร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจถ้าเราได้สร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจใจก็จะไปอย่างสงบไปอย่างมีความสุข ถ้าเราไม่ได้สร้างความสงบสร้างความสุขภายในใจเวลาที่ร่างกายตายไปเราจะไปอย่างวุ่นวายใจไปอย่างไม่สงบ น, นี่แหละคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าทรงเห็นอนาคตที่จะทให้เราต้องวุ่นวายเดือดร้อนต้องทุกข์กันคือทรงเห็นสภาพของร่างกาย ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเบื้องต้นพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเพราะเพราะพระราชบิดาก็พยายามไม่ให้พระพุทธเจ้าออกไปข้างนอกวังไม่อยากให้พระพุทธเจ้าไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายคนที่เข้าไปอยู่ในวังก็ไม่ให้เป็นห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังให้มีแต่คนหนุ่มหนุ่มสาวสาว พระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าจะเป็นหนุ่มไปเรื่อยๆจะไม่มีวันเพราะไม่รู้ว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะไม่เห็นตัวอย่างของร่างกายของอนาคตของร่างกายเพราะในวังไม่มีคนแก่ให้เห็นไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้เห็นไม่มีคนตายให้เห็นพระองค์ก็เลยทรงเพลิดเพลินไปกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงเกล่นลดไปเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งเกิดมีความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยออกไปนอกกำแพงวังเลยเพราะถูกขังอยู่ในวังมาตลอดก็เป็นเรื่องของจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นเป็นตันหาอย่างหนึ่งมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็ น, นเรียกว่ากามะตันหา อยากจะเห็นอยากจะได้ยินอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินะถึงแม้จะถูกห้ามไม่ให้ออกไปก็ลักลอบออกไปหนีออกไปมีมหาดเล็กพาไปพอออกไปนอกกําแพงวงังก็เห็นความจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ทราบจากมหาเล็กที่พาไปว่าคนทุกคนเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนี้ครับ แม้แต่พระองค์เองก็เช่นกันตอนนี้พระองค์มีร่างกายกําลังวังชาที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุดพระองค์ก็เลยเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอสภาพแบบนี้แต่ก็โชคดีที่ยัง ได้เห็นนักบวชก็ถามว่านักบวชนี้เป็นใครเขาทำอะไรก็บอกว่านักบวชนี้เขาเป็นพวกที่จะไปหาวิธีอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายอยู่แบบอยู่แบบสงบทำใจให้สงบแล้วเขาจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่เขาไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เวลาร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเขาก็ยังสามารถหาความสุขได้เมื่อพระองค์ได้ทรงได้ยินก็เลยมีความหวังตอนต้นก็คิดว่าหมดหวังคิดว่าต่อไปจะต้องทุกขกับความแก่ทุกขกับความเจ็บทุกขกับความตายแต่พอมาทราบว่ามีพวกที่เขารู้จักวิธีที่จะหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย พระองค์ก็เลยมีความสนพระไทยแล้วก็พยายามค้นคว้าศึกษาพอถึงเวลาที่จะต้องออกบวชพระองค์ก็เลยพร้อมก็เลยออกบวชได้หนี อ, ออกจากวังไปเพราะถ้าบอกให้คนอื่นรู้ก็จะไม่ไปไปไม่ได้เพราะจะไม่มีใครให้ออกไป พระราชบิดาก็ต้องสั่งทาหาให้มาอกันไว้ไม่ให้ไปเลยต้องหนีไปในยามค่ำคืนในยามวิกาลไปแบบเงียบๆไปแบบไม่ให้มีใครรู้แล้วก็ไม่บอกใครว่าไปที่ไหนด้วยจึงไม่มีใครตามไปได้พอออกไปจากวังแล้วพระองค์ก็เลยไปศึกษากับนัก บ, บวชที่เขารู้จักวิธีทําใจให้สงบ สมัยนั้นเขาก็รู้จักวิธีทำใจให้สงบเป็นพักๆคือเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมาถ้าใจไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดไปถึงเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาได้ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรจึงทำ จึงทำให้ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่รู้ว่าจะทําไงให้ใจสงบให้มีความสุขตลอดเวลาทั้งขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิอืพระองค์ก็พยายามไปศึกษาไปถามคนนั้นคนอาจารย์นั้นองค์อาจารย์นี้ก็รู้แต่วิธีทําใจให้สงบมีความสุขในเวลาที่นั่งสมาธิกันแต่เวลาออกจากสมาธิมา ความสงบก็หายไปความวุ่นวายใจต่างๆก็โผล่ขึ้นมาได้เมื่อสรงถามทรงศึกษาจากอาจารย์หลายๆรูปก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทำให้ใจสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิได้อย่างไรพระองค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจสงบ ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็คือสมคนพบว่าตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือตันหาความอยากที่มีอยู่ในใจนี้เองสมคนพบว่าความอยากในรูปเสียงกล่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้เวลามันเกิดขึ้นมามันจะทำให้ใจไม่สบายทำให้ใจสัน่นทำให้ใจกระเพื่อมและวิธีที่จะกำจัด ความอยากเหล่านี้ก็ต้องมองความจริงมองให้เห็นความจริงมองให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นมันเป็นทุกข์อย่าไปอยากมันอยากแล้วจะทำให้ใจทุกข์เพราะสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขนั้นมันสุขเดียวเดียวมันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทำให้ใจเสียใจทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมันมาหยุดความอยากด้วยการทาใจให้นิ่งให้สงบใช้สติควบคุมหยุดความคิดหยุดความอยากคือเข้าสมาธิไปทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ให้ใช้สมาธิหยุดมันใช้ปัญญาสอนว่าการทำตามความอยากจะทำให้ใจต้องวุ่นวายจะทำให้ใจต้องดิ้นรนจะต้องทำให้ใจกระสับกระส่ายกระวนกวาย แล้วพอได้มาก็จะต้องเสียใจในภายหลังเพราะสิ่งที่ได้มามันก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการจากกันมีการพัดภาคจากกันคือสอนให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่างที่เราคิดกันส่วนใหญ่เราจะคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตา ก็อยากได้เงินก็แคคิดว่าได้เงินมาแล้วจะมีความสุขแล้วความสุขนี้ก็จะเป็นนิจจังจะสุขไปเรื่อยๆจะเป็นของเราไปเรื่อยๆเงินทองจะเป็นของเราไปเรื่อยๆที่ไหนได้พอได้มาใช้ไปสักปับ๊บเดี๋ยวมันก็หมดมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วความสุขที่ได้จากเงินทองก็หายไปหมดพอไม่มีเงินทองใช้ทีนี้ก็วุ่นวายใจแล้วสิเศร้าใจเสียใจ ว, าว้าวเว่เศร้าซ้อยหงอยเหงาอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของตามความอยากก็ซื้อไม่ได้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปไม่ได้นี่เพราะเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความหลงมันสอนให้เราหลอกให้เราคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตากันเนี่ยมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ทรงมองความจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้กัน ที่เราคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตานี้ความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย <Yeah. S 2> นี่คือการตัดสรุของพระพุทธเจ้าตัดสรุในอริยสัจสี่ทร mm hmm. งรู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาอยากนี้ใจก็สั่นละ mm hmm. ใจก็ไม่เป็นสุขละกินไม่ได้นอนไม่หลับละ แล้วพอได้มาก็ดีใจเดียเดยเด๋ยวเดียวสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอมันหายไปจากเราไปก็เศร้าโศกเสียใจขณะที่ยังไม่จากมันก็ให้ความกังวลใจกับเราไม่รู้ว่าจะจากเราไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปหรือไม่เช่นแฟนนี่เวลาได้มาใหม่ๆก็ดีไปหมดพออยู่ไปสักพักเปลี่ยนไปซะแล้ว <c oughs> ก็เพราะว่านี่แหละเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจัง เราคิดว่าเขาจะไม่เปลี่ยนเขาดีตอนต้นเขาจะต้องดีตอนกลางดีตอนปลายแต่ที่ไหนได้มันดีแค่ตอนต้นตอนกลางตอนปลายนี้มันกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นี่แหละคือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์นี่เองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าใครเห็นายรักแล้วจะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้เพรารู้ว่าได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการเปลี่ยนไปหมดไปมีการพัดพากจากกันมีความเศร้าใจเสียใจตามมาถ้าไม่มีก็จะไม่มีความเศร้าใจอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าทุกครั้งที่อยากจะได้อะไรก็เข้าไปในสมาธิดีกว่า พอใจเข้าไปในสมาธิใจก็สงบมีความสุขนไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝืนความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดไปเพราะว่ามันไม่เราไ ม, เาไม่เราไม่ตอบสนองมันมันต้องการแต่เราไม่ให้มันอพอเราไม่ให้มันสองสามครั้งมันก็ไม่มาหาเราแล้ว เหมือนคนที่เขามาขอเงินเรานี้ถ้าเราไมา่ให้เขาสักสองสามครั้งเขาก็ไม่มาแล้วแต่ถ้าเขาถ้าเขามาแล้วเราให้เขาเขาจะมาทุกครั้งอ่ะให้วันนี้แล้วเดี๋ย ER วพรุ่งนี้ก็มาอีกถ้าพรุ่งนี้ให้อีกมาวันนี้ก็มาอีกแต่ถ้าให้วันมาวันนี้ก็ไม่ให้มาพรุ่งนี้ก็ไม่ให้มาวันืนนี้ก็ไม่ให้เดี๋ยววันต่อไปไม่มาแล่ะมาเสียเวลามาก็ไม่ได้มาทำไมอนี่คือธรรมชาติของความอยากมันเป็นอย่างนี้ มันจะกลับมาหาเราเรื่อยๆถ้าเราทําตามมันเช่นอยากจะดื่มกาแฟหรือสูบบุหรี่อย่างนี้พอมันอยากปับ๊บลองดื่มปับ๊บลองสูบปับ๊บดูเดี๋ยวมันมาอีกตัวหนึ่งละพอหมดแก้วนี้หมดมวนนี้เดี๋ยวมันขออีกแก้วนึ่งละขออีกมวน ล, ละมันจะขอไปจนวันตายเนะ่ะรับรองได้แต่ถ้าเราฝืนมันไม่ทําตามมันที่เราฝืนกันไม่ได้ก็เพราะมันทรมานใจ เราไม่มีเครื่องมือที่จะฝืนมันแต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิได้เราจะมีเครื่องมือเวลาที่รู้สึกทรมานใจที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ไปนั่งสมาธิถ้าเข้าสมาธิแล้วความทรมานใจมันจะดับไปเราจะฝืนความอยากได้นี่แหละทำไมเราจึงต้องมาฝึกสมาธิกันก่อนก่อนที่เราจะมาใช้ปัญญา พิจารณาไตรลักษ์เพื่อหยุดความอยากนี้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถฝืนความอยากได้ก็คือสมาธิเราต้องหัดมานั่งสมาธิกันก่อนและเครื่องมือที่จะทำให้เราได้สมาธิก็คือสติและเครื่องมือที่จะทำให้เรามีสติก็คือศีลเราต้องมารักษาศีลแปดกันเพราะศีลแปดจะทา <c oughs> ให้เรามีเวลามาเจริญสตินั่นเอง ถ้าเราไม่ถือศีลแปดตอนเดี๋ยววันนี้เราก็ไปช้อปปิ้งได้เดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงได้เดี๋ยวก็ไปดูหนังได้ไปดูดิเกได้ไปดูมหัศลศพบันเทิงต่างๆได้ถ้าเราไปทํากิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลามาฝึกสติไม่มีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันดังนั้นการที่เราจะมีสมาธิเพื่อที่จะมาใช้ในการต่อสู้กับความอยากต่างๆ เราจึงต้องมาถือศีลกันมาถือศีลแปดเราต้องมาหาเวลามาจเจริญสติกันเพราะในชีวิตประจำวันที่เราอยู่กันนี้เราไม่สามารถจเจริญสติได้อย่างมีประสิทธิภาพจเจริญได้บ้างแต่เล็กๆน้อยๆไม่ต่อเนื่องไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนกับเวลาที่เรามาอยู่วัดกันเพราะมาอยู่วัดนี้เราไม่มีงานที่จะต้องใช้ความคิดกัน การเจริญสตินี้เพื่อให้หยุดความคิดนี่เองแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทางานนี้เราอดคิดไม่ได้อดคิดเรื่องนั้นอดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมีคนนั้นคนนี้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาให้เราคิดอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามาอยู่วัดนี้เราก็จะเหมือนกลับมาอยู่อีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นความคิดของเราแต่มันก็ยังมีความคิดที่อยู่ในใจที่ยังอดคิดอยู่ มาอยู่วัดก็ยังอดคิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงลูกคิดถึงหลานไม่ได้คิดถึงสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เราก็ต้องใช้สติคอยควบคุมมันวิธีเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็ให้ใช้พุโทโธพุทโธให้ตเลุกถึงพุโทโธบริกรมรมพุทโธไปในใจถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เราก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้เวลาเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิพอใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิก็จะพบกับความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัตสันติเปรลังสุ ข, ขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่ได้จากาะลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปทพะนี่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบนี้เราได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่เป็นลถที่เหนือกว่าลถทั้งปวง เหนือกับลดกาแฟเหนือกับลดบุหรี่เหนือกับลถอะไรทั้งหลายทั้งสิ้นจะทําให้เวลาที่เราอยากกาแฟอยากบุหรี่อยากไปเที่ยวนี้เราสามารถเลิกได้เปลี่ยนใจได้ไปสมาธิดีกว่าไปเที่ยวกับไปสมาธิอันไหนดีกว่ากันไปสมาธิดีกว่าไปดื่มกาแฟกับไปสมาธิอันไหนดีกว่ากันไปสมาธิดีกว่าถ้าลองเราเข้าสมาธิเป็นแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปทําอะไร เวลาอยากจะได้อะไรอยากจะได้ความสุขจากอะไรก็ไปเข้าสมาธิเพราะการเข้าสมาธินี่มันมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่ามีน้ำหนักมากกว่าพูดง่ายง่ายลดแห่งธรรมชนะรถทางปงั่นเนี่ยพอเรามีรถแห่งธรรมเราสามารถเข้าถึงลดแห่งธรรมได้ทีนี้เวลาเกิดตันหาความอยากต่างๆเราก็สามารถฝืนมันได้เช่นตอนนี้ มีการสมัครสอสอถ้าอยากจะไปสมัครเราก็บอกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่าได้ความสุขมากกว่าไปเป็นสอสอไปเป็นสอสนี่ต้องลงทุนหลายตังเนอะไปหาเสียงนี่ต้องพิมพ์ก็พิมอะไรต้องใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคนมีเคยเล่ า, าหลายปีมาแล้วเขามาเคยสมัครเป็นสอสอเาใช้เงินอย่างน้อยก็ล้านหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายหาเสียงต่าง สั้สู้ไปนั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วได้ความสุขที่ดีกว่าได้ประโยชน์มากกว่าเพราะจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ของพวกเรามันเกิดจากความอยากของพวกเรนี้เองถ้าเราหยุดความอยากได้ทำลายความอยากได้จะไม่มีความทุกข์โผล่ขึ้นมาในใจของเราอีกต่อไป <c oughs> เวลาร่างกายแก่ก็หยุดความอยากไม่แก่ได้ เวลาร่างกายเจ็บก็หยุดความอยากไม่เจ็บได้ปล่อยมันเจ็บไปมันเจ็บจะทำยังไงได้ก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าไม่มีความยอยากแล้วใจจะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะอยากให้มันหายพอมันไม่หายยิ่งทรมานใหญ่แต่ถ้าเราฝึกสมาธิเป็นหยุดความอยากได้ความแก่จะไม่เป็นปัญหากับใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่เป็นปัญหาความตายก็จะไม่เป็นปัญหาเมื่อมันจะตายก็ปล่อยมันตายเราห้ามมันไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่ตายนี่แหละเราก็หยุดความอยากไม่ตายเสียท่านเองทำใจเฉยๆทำใจเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาที่เราได้จากสมาธินี่แหละไม่มีที่ไหนที่เราจะได้อุเบกขานะ อุเบกขานี้มีที่เดียวเทนะั้นคือในสมาธินี่เองในอัปปนาสมาธิในฌานสี่เนี่ยจะมีอุเบกขาจะเข้าไปก็ต้องใช้สติดึงใจเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวหรือถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวบางท่านอาจจะใช้พุทโธกำกับลมหายใจก็ได้แต่ถ้าไม่จําเป็นก็เอาอย่างเดียวดีกว่า เอาพุทธโธก็พุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องไปสนใจกับพุทธโธมันง่ายกว่าบางทีเดี๋ยวมันพุทธเข้าโทออกเดี๋ยวหลงแล้วไอ้เข้าหรือออกวะออกหรือเข้าวะดูลมก็ดูเฉยๆดูที่ปลายจมูกดูว่ามันหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมมันจะหายใจยาวหรือสั้นก็เรื่องของมัน ลมจะหยาบละเอียดก็เรื่องของมันให้รู้เฉยๆให้เป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองเราไม่ต้องการมาบังคับลมไม่ต้องการมาควบคุมลมเราเพียงแต่อาศัยลมเป็นที่เกาะเป็นยึดเป็นที่ยึดเกาะของใจใจที่ถูกกระแสความคิดมาดึงไปเรื่อยๆเหมือนคนที่ลอยอยู่ในน้ำที่มีกระแสหลเชี่ยวต้องหาไม้หาเสาเกาะ พอมีเสามีท่าเกาะน้ําก็จะไม่สามารถพัดไปได้ใจของเราถ้าไม่มีอะไรเกาะมันจะไหลไปกับความคิดต่างๆคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนู้นแล้วก็กลับมาคิดเรื่องนี้วนไปเวียนมาอยู่นั้นถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วนั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันวันที่จะสงบได้ใจจะสงบได้ใจจะเข้าสมาธิได้ต้องหยุดความคิดจะหยุดความคิดได้ต้องมีอะไรเกาะ ต้องมีพุโทโธเกาะหรือต้องมีลมหายใจเกาะถ้ามีลมหายใจมีพุโทโธเกาะแล้วเดี๋ยวไม่นานห้านาทีสิบนาทีเท่านั้นใจก็เข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้านั่งแล้วปล่อยให้มันคิดดูลมก็ดูไปอย่างนั้นแต่ใจก็ยังคิดแข่งกับลมอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องกลับมาจ่ออยู่ที่ลมอย่างเดียว อย่าไปให้มันคิดก็อย่าไปตามมันมันจะคิดมันจะมาชวนคิดก็อย่าไปคิดกับมันมันชอบมาชวนคุยอย่าไปคุยกับมันอย่าคุยกับตัวเองคุยก็เป็นความคิดเขาคิดล้วเขาคุยเราคุยมันก็เป็นความคิดท้งนั้นนั้นอย่าไปคุยกับตัวเองให้มาดูลมดูว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือหายใจออกคอยถามตัวเองอย่างนี้ก่อนตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกดีกว่าดูแค่นี้ หายใจเข้าออกหายใจออกแล้วไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกให้ดูอยู่จุดเดียวมันถึงจะนิ่งถ้าตามมันมันจะไม่นิ่งเราต้องการให้ใจนิ่งต้องให้มันอยู่จุดเดียวอยู่ตรงปลายจมูกตรงที่ลมเข้าออกมันจะรู้สึกตรงนั้นจะรู้สึกว่ามีลมสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกหรือบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นจุดเดียว หายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกง่ายจะตายไม่ต้องทำอะไรให้ดูเฉยๆเป็นเหมือนยามเข้าประตูดูว่าคนมีคนกี่คนเข้ามีคนกี่คนออกเท่านั้นเองแต่ดีเราไม่ต้องนับเราไม่ต้องนับลมหายใจเพียงแต่ให้รู้ว่ามันเข้าหรือมันออกอย่าตามเข้าไปอย่าตามออกมาให้อยู่จุดเดียวมันหยาบก็รู้ว่าหยาบมันละเอียดก็รู้ว่าละเอียดมันสั้นก็รู้ว่าสั้นมันยาวก็รู้ว่ายาว ไ ม, ไ, ปปมไม่ต้องไปเปลี่ยนมันไม่ต้องไปเปลี่ยนลมสั้นให้เป็นลมยาวไม่ต้องไปบังคับนมยาวให้เป็นลมสัน้นถ้าเป็นมีการบังคับสแสดงว่าจิตต้องทำงานถ้าจิตทำงานจิตจะสงบไม่ได้เราไม่ต้องการให้จิตทำงานเราต้องการให้จิตเป็นผู้รู้เฉยๆเวลาจิตไปทำงานก็รู้เฉยๆเนะี่ยถึงถึงเป็นจิตเนี่ยถ้าไปคิดแล้วมันจะมันจะไม่สงบ ถ้ามันรู้เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเราเข้าได้แล้วต่อไปเราก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆให้ชำนาญก่อนยังไม่ต้องไปทางปัญญาก็ได้ช่วงแรกๆช่วงที่เราฝึกสมาธินี่มาฝึกสมาธิให้เก่งก่อนให้ชำนาญก่อนอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างสบาย5นาที10นาทีก็เข้าได้ แล้วแล้วก็ได้นั่งเป็นหลายสิบนาทียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนาทีให้ทำอย่างนี้ให้ชำนานก่อนเมื่อเราชำนานแล้วเราค่อยมาฝึกทางปัญญามาฝึกสอนใจให้มองสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มองว่าลาบยศสรเสรญสุขนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมอย่าไป มีมันดีกว่าถ้ามีแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราทุกข์ว่ามีอะไรเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่ไม่มีอะไรมันจะอยู่กับเราไปนานหรืออยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการจากกันร่างกายของเราก็เหมือนกันมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคอยสอนใจอยู่เรื่อยให้เตรียมตัวรับกับความแก่เตรียมตัวรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเตรียมตัวรับกับความตายให้ได้ นี่คือข้อสอบที่เราจะต้องมาทำการบ้านก่อนที่มันจะถึงเวลาเข้าห้องสอบถ้าเราไม่ทำการบ้านไว้ก่อนไม่ดูหนังสือก่อนเวลาเข้าห้องสอบก็สอบตกใช่ไหมแต่ถ้าเราดูหนังสือทำการบ้านอยู่เรื่อยๆพอเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะทำข้อสอบได้เพราะข้อสอบมันก็เป็นมันก็เป็นการบ้านที่เราทานี่เองความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เป็นข้อสอบ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เจอมันมันก็ทกําการบ้านไปก่อนสมมุติไปก่อนสมมุติว่าเราแก่เราจะทําไงทําใจได้หรือเปล่าสมมุติเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกเป็นมะเร็งทําใจได้หรือเปล่าทําใจเป็นอุเบกขาได้หรือเปล่าเฉยๆได้หรือเปล่าถ้าเรามีสมาธิเราทําได้พอมันจะวุ่นวายใจเราก็ใช้สติหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธวุ่นวายใจแล้วได้อะไร วุนวายใจแล้วโรคมะเร็งมันหายไปหรือเปล่ามันไม่หายหรอกใช่ไหมเรื่องอะไรเราจะต้องไปทุกไปวุ่นวายกับโรคมะเร็งเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเรามีหน้าที่รักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายเท่านั้นเองถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาพอใจจะวุ่นวายเราก็จะหยุดมันได้แล้วถ้าเราใช้ปัญญามันก็จะทําให้เร า, เาไม่ทุกข์กับมัน เรายอมรับไงพอมีปัญญาเราก็จะไม่ยอมรับยอมรับว่า <c oughs> ร่างกายต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <c oughs> พอเรายอมรับแล้วใจเราจะไม่วุ่นวายใจไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้ถ้ายอมรับถ้าป่งได้เขาเรียกว่าป่งได้ยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายได้ใจก็จะไม่วุ่นวาย <c oughs> มีเสียงสะท้อนกลับมา <c oughs> ตอนนี้มีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เนต็ตด้วยทาง u t u b e ก็ทางเฟซ e ุ๊กญาติโยมถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็ติดตามได้ทุกวันบ่ายสองโมงมีการแสดงทาอย่างนี้ทุกวันทางอินเทอร์เนต็ตเข้าใน a c e b o o k ก็ได้ใน youtube ก็ได้นี่คือปัญญาปัญญานี้จะต้องรอให้มีสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิพอไปพิจารณา อันนี้จังทุกขังอนัตตาใจจะไม่สบายขึ้นมาทันทีใจจะกระสับกระส่ายแล้วก็ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิพอใจรู้สึกไม่สบายเพราะเราต้องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็ใช้สมาธิหยุดมันได้เราก็จะสามารถพิจารณาต่อไปได้ทำไมเราต้องพิจารณาต่อเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาอยู่ได้เรื่อยเดี๋ยวเราจะลืมนั่นเอง เรามักจะลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาบ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอไม่ลืมแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นั้นเองวิธีรับกับเหตุการณ์ก็คือทําใจให้สงบนี้เองทําใจให้เป็นอุเบกขาทําใจเฉยๆทําอะไรไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆไปวุ่นวายใจก็ เจ็บตัวไปเปล่าๆําใจเฉยๆแล้วใจจะสบายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายร่างกายมันก็ไม่ใช่เป็นเราในวัในใดวันหนึ่งก็ต้องมีการจากกันเราสามารถจากกันอย่างสงบจากกันอย่างสบายถ้าเราได้มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมกันอย่างที่ญาติโยมได้มาฝึกหัดกันในวันนี้ขั้นต้นก็ต้องศึกษาวิธี ปฏิบัติก่อนว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้างพอรู้แล้วก็ไปหัดปฏิบัติกันสิ่งที่เราจะต้องทําในการที่เราจะสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อมาเป็นธรรมที่มาปกป้องคุ้มครองใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆได้ก็คือเราต้องมีเวลามาอยู่วัดกันมามีเวลามาปฏิบัติกันเราต้องถือศีลเพื่อจะได้ ควบคุมกิจกรรมห้ามห้ามจิตใจให้ไปทากิจกรรมต่างๆเพื่อเราจะได้มีเวลามาฝึกสติมาฝึกสมาธินั่นเองถ้าเราถือศีลแปเราก็จะไปทำอะไรไม่ได้เราก็จะมีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมพอเรามีเวลาปฏิบัติสร้างสติมีเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบได้ ใจก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราทิ้งมาความสุขเก่าที่เราได้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้มันก็จะทำให้เราเลิกฝืนความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบเก่าได้เลิกความอยากที่จะไปมีราบยศสรรเสริญเลิกความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แล้วถ้าเรามีปัญญา ที่จะคอยเตือนใจสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์เนี่มันไม่ใช่เป็นนิจจังสุขขังอัตาอย่างที่เราคิดนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนณตาถ้าเราจําได้ทุกครั้งที่เวลาเราอยากปุ๊บพอบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอณตาปั๊บมันจะหดทันทีเลยมันจะหยุดทันทีเลยแต่ถ้าอนิจจังทุกขังอนณตาไม่ทันมันก็ไปละไปหยิบถ้วยหยิบกาแฟหยิบบุหรีล่ละ แต่ถ้ามีปัญญามันจะบอกว่าทุกนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะอสุขเดี๋ยวเดียวนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์ก็นะเดี๋ยวกาแฟหมดก็ทุกข์นะเดี๋ยวบุหรี่หมดก็ทุกข์นะทนะางสอนมันอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ต้องแก่นะต้องเจ็บนะต้องตายนะแต่ไม่ต้องทุกข์กับมันนะเราไมา่เราสามารถไม่ทุกข์กับความแก่ไม่สไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายได้ ถ้าเราปล่อยวางได้ปล่อยวางร่างกายได้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันต้องเป็นอย่างนี้อนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเราอคนอื่นตายเราเดือดร้อนไอมไม่เดือดร้อนไอ้ร่างกายนี้มันก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ตัวเราเราไปเดือดร้อนเพราะเราไปหลงคิดว่าเหมือนตัวเราเนั่นเองงั้นก็ต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนคนอื่นออถ้าเราไม่เดือดร้อนกับคนอื่นตายเราก็ต้องไม่เดือดร้อนกับร่างกายของเราตายออ เพราะ a เท่ากับบีบเท่ากับซีงั้น a ก็ต้องเท่ากับ c ีใช่ไหมอันะนะี้ให้พิจารณาอย่างนี้เลาวต่อไปมันก็จะปล่อยวางได้เรามันจะเห็นเห็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางปล่อยวางได้ตั้งแต่ ย, ยังไม่ตายยังไม่เจอเหตุการณ์เพียงแต่คิดแล้วพอคิดแล้วมันทุกข์แล้วเราสามารถดับความทุกข์นั้นได้ด้วยการยอมรับความจริงต่อไปเราก็จะไม่กลัวความตายอีกต่อไป ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความแก่เราจะพบกับมันได้อย่างสง บ, บได้อย่างสบายนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือฟังด้วยศีลฟังด้วยสมาธินล้วเราจะได้ปัญญาได้ความรู้ความรู้ที่เราจะเอาไปเจริญต่อความรู้ ระดับนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังความรู้ขั้นต่อไปที่เราจะต้องเอาไปพัฒน า, เ, าเหมือนกับเอาไปทำการบ้านก็คือเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆทำที่เราได้ยินในวันนี้มีอะไรบ้างจำได้บ้างไหมส่วนไหนที่จำได้เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆอเรียกว่าทำการบ้านเหมือนไปโรงเรียนเข้าห้องเรียนนี้ก็ฟังครูสอนก่อน พอกลับบ้านครูก็เอากำบ้านไปทำเนี่ยที่ให้ไปทําก็ให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆให้ระลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆให้ระลึกถึงศีลอศีลแปดให้ร ะ, ล, ะ, ล, ะลึกถึงสติสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆนี่คือการบ้านพอเราคิดอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ลืมเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรพอเรากลับไปบ้านเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับมาใหม่แล้ว ก็รู้ว่าต้องกลับมาทําศีลสมาที่ปัญญาต่อระหว่างที่อยู่บ้านก็เดี๋ยวนี้มีธรรมะให้ฟังอยู่ที่บ้านก็มีหนังสือธรรมะก็มีให้อ่านอพยายามอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังเทศฟังธรรมดีกว่าไปดูข่าวดูละครดูแล้วโง่ฟังธรรมะดูธรรมะเราจะฉลาดเพราะดูละครมันจะหลอกให้เราหลางนั่นเองมันจะทําให้เราโง่ อย่าอย่าดูอะไรเลิกดูเส้นดีกว่าพวกละครพวกอะไรต่างๆมาดูธรรมะดูดูหนังสือธรรมะหรือมาฟังธรรมเพื่อจะได้มีอะไรมาคอยเตือนใจให้เรารู้ว่าเราจะต้องมาทําอะไรกันเราจะได้มาทำทำงานทําการบ้านพอเราทําแล้วต่อไปเวลาเราเข้าห้องสอบเราก็จะสอบได้ต่อไปเวลาเราเจอการเสือ่อการสูญเสียจากราบยศสละเสริญ เจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะได้สอบผ่านเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้นี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิตพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ oh ุปกับปติอิทธิตังปฏทที um ่ตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปนหราโสยาถามณิโชติ ภระโสยถาสพีติโยวิวาชนตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมาวัานติอายุวันโนสุขัง า ล, าลำดับต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้ถ้าอยากจะถามเองก็เชิญขึ้นมาที่ศาลา ม, มีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะขึ้นมาก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาเราจะอ่านคำถามให้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ c e b o o สามร้อยสี่สิบคนค่ะทาง y o u ู u หนึ่งร้อยหกสิบสองทางวิทยุออนไลน์2ี่สิบเจ็ดผู้รับฟังบนเขาสองร้อยสี่สิบหกคนรวมทั้งหมดเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าคนค่ะวันนี้มีคณะใหญ่มาฟังมาจากจุฬาลงกรณ์เป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอาจารย์มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด ก็เลยได้ขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมกันอถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากคุณแป๊บค่ะตอนนี้ผมติดการพนันเล่าไม่ติดแต่ด้วยสังคมและการงานต้องดื่มผมควบคุมตัวเองและสภาพจิตใจไม่ได้ผมอยากหาทางออกไม่รู้จะพึ่งทางไหนครับก็ต้องอย่าไปครบคนที่เขาเสพอาบายามุข พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปสนิทสนมกับเขาถ้าต้องทํางานร่วมกันก็เอาเฉพาะแค่ช่วงทํางานเวลาเลิกงานเขาชวนเราไปดื่มเราก็อย่าไปบอกขอกลับบ้านปฏิเสธไปเขาชวนไปเล่นการพนันก็อย่าไปพระวุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปคบกับเขาเขาก็จะชวนให้เราไปนั่นเราต้องคบแต่เฉพาะเวลาที่จําเป็น เช่นเวลาทํางานนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทํางานเริ่วมกันก็ทําไปแต่เวลาเลิกงานก็ขอตัวกลับบ้านไม่ไปกับเขาคําถามจากคุณแขสีค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเฉยในเวทนากับอุเบกขาเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเจ้าค่ะอ๋อคนละตัวเฉยในเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์คาว่าอุเบกขาในเวทนาคือ เวทนาที่เป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไม่เฉยใจไม่เฉยไม่เกี่ยวกันใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถึงจะเรียกว่าเฉยของใจอันนี้ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นสักแต่ว่ารู้คำถามจากคุณ you and me, me ีมี n d you กราบเรียนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยความนอบน้อมครับ หากคนทั่วไปตั้งใจแน่วแน่เพื่อให้บรรลุถึงโสดาบันด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธด้วยสติแน่วแน่เขาเหล่านั้นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการบรรลุสโสดาบันหรือระยะเวลาที่จะบรรลุสโสดาบันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและความมั่นคงของสติครับก็ <c oughs> เหมือนกับการตักน้ําใส่ตุ่มนะจะตักให้มันเร็วก็ได้ตักให้มันช้าก็ได้ แล้วแต่คนตักถ้าตักวันละขันก็ใช้หลายวันหน่อยถ้าตักวันละสิบขันก็เร็วกว่าสิบเท่าถ้าตักวันละร้อยขันมันก็เร็วกว่าร้อยเท่าไอ้มันอยู่ที่การปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเต็มที่หรือไม่เต็มที่ก็คือปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยถ้าปฏิบัติเต็มที่นี่พระพุทธเจ้าก็รับรองว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะต้องได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนคําถามจากคุณคุณัญญาค่ะจากผู้มารับฟังบนเขาค่ะทําอย่างไรจึงจะละโลภโกรธหลงเพื่อให้ถึงทางหลุดพ้นในวัฏฏะสงสารก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องมาถือศีลแปดมาฝึกสมาธิกันทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุข พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วมันก็จะได้ละความโลภความอยากได้พอละความโลภได้มันก็จะไม่โกรธความโกรธเกิดจากความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรพอไม่ได้ดังใจก็โกรธถ้าไม่มีความโลภแล้วความโกรธมันก็ไม่มีความโลภก็ไม่มีเพราะความความไม่หลง ความหลงคือความไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นสุขแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มันก็หายโง่า ห, าหายหลงพอหายหลงมันก็หายอยากหายอยากมันก็หายโกรธคาถามจากคุณทนิตค่ะขอกราบเรียนถามข้อหนึ่งตามที่พระอาจารย์กล่าวว่าจิตใจที่ไม่มีร่างกายเรียกว่าวิญญาณ สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนั้นเขามีร่างกายส่วนจิตใจนั้นเขามีหรือไม่ต่างจากมนุษย์อย่างไรคุณไม่รู้เรื่องเลคุณพูดอะเปรตมันมีร่างกายที่ไหนเราเดรัจฉานอะกับมนุษย์ที่มีร่างกายเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ไม่มีร่างกายมีแต่ดวงวิญญาณเอดวงวิญญาณเราก็เรียกว่ากายทิพย์ กายทิพย์ถ้าดวงวิญญาณที่เป็นสุขก็เรียกว่าเทวดาดวงวิญญาณที่โลภที่หิวก็เรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณที่กลัวก็เรียกว่าสุนละกายดวงวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็เรียกว่านรกนี่คือดวงวิญญาณต่างๆข้อสองค่ะพระอาจารย์สอนว่าไม่ให้พูดกับตัวเองเพราะมันคือความคิด แต่มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นการพูดคุยกับตัวเองที่ไม่ใช่ความคิดแต่เป็นปัญญาหากเป็นไปได้เราจะแยกได้อย่างไรว่าเป็นความคิดหรือเป็นปัญญาเป็นปัญญามันก็จะหยุดคิดถ้าเป็นปัญญามันก็จะหยุดคิดมันหยุดอยากถ้ามันเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราก็หยุดหยุดอยากหยุดคิดถึงมันเรียกว่าปัญญา อยากได้แฟนนี้พอคิดว่าได้แฟนมาแล้วเป็นทุกข์เพราะมันแฟนไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวจากกันพอคิดแบบนี้มันก็เป็นปัญญามันก็ทำให้หยุดคิดที่อยากจะได้แฟนขึ้นมาเรียกว่าปัญญาคำถามจากผู้รับฟังบนเขาคะ่ะข้อหนึ่ง วันนี้เป็นวันเกิดของบุตรสาวซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศขอความเมตตาจากพระอาจารย์ให้ข้อคิดเตือนใจในระหว่างที่ศึกษาด้วยค่ะก็ให้ตั้งใจเรียนเป็นหลักอย่าไปสนใจกับการกระทาอย่างอื่นหน้าที่ของเราตอนนี้คือการเรียนต้องเรียนให้จบก่อนก่อนที่จะไปทำอะไรอย่างอื่น ถ้าเราไปทำอย่างอื่นการเรียนของเราอาจจะไม่จบก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าไปสนใจกับการไปเที่ยวกับการไปเล่นให้สนใจกับการเรียนตั้งใจเรียนเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวไปเล่นต่อคนที่สองค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวคำถามก็มีอยู่เนี่ยกำลังถามอยู่เนี่ยจากคนที่สองค่ะข้อหนึ่ง กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเราควรจะทําสมาธิให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มเดินปัญญาใช่หรือไม่เจ้าคะใช่ถ้าไม่มีสมาธิหนึ่งมันไม่มีกําลังจะไปเดินทางปัญญาสองมันจะเป็นกิเลสมันจะฟุ้งขึ้นมาแล้วจะหยุดมันไม่ได้ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะหยุดความฟุ้งได้เวลาพิจารณาทางปัญญาแล้วมันเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาข้อสองค่ะ กวนพระอาจารย์เมตตาอธิบายคำว่าอธิฐานบารมีว่าคืออะไรและควรจะวางจิตอย่างไรให้ไม่ใช่การขอหรืออยากได้เจ้าคะอ๋อเพราะว่าคำว่าอธิฐานตามที่พุทธเจ้าสอนนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ใช่การขอเนเรามาใช้ทำอธิฐานผิดเองเราควรจะเวลาเราจะขอเราต้องบอกว่าขอ เราอย่าบังบอกว่าเราอธิษฐานเข้าใจไหมคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจตั้งใจเช่นวันนี้จะมาวัดนี่เราต้องตั้งใจก่อนเมื่อวานนี้เราตั้งใจมาวัดวันนี้เราถึงมาวัดได้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวเราก็ไปกับเขาได้แต่ถ้าเราตั้งใจมาวัดเพื่อนจะมาชวนเราไปเที่ยวเราก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจจะมาวัดจะมาวัด เราก็ไม่ไปเที่ยวได้ดังั้นความตั้งใจมันเป็นการถูกใจเป็นการบังคับใจให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าเราปล่อยให้ใจเราไม่มีความตั้งใจมันก็จะทําไปตามอารมณ์อยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทํามันก็จะไม่ได้ไปตามที่มันต้องการจะไปเพราะว่าการที่เราจะไปในทิศทางที่ดีได้นี้เราต้องบังคับมัน ต้องบังคับใจการบังคับใจก็ต้องบังคับที่การอธิษฐานเองเราต้องอธิษฐานว่าวันนี้จะไปใส่บาทวันนี้จะไปฟังเทศฟังธรรมวันนี้จะไปรักษาศรรีลวันนี้จะไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอธิษฐานคือการวางแผนตั้งเป้าตั้งใจถ้าเราไม่วางแผนตั้งเป้าตั้งใจเราจะอาจจะไม่ได้ทำเพราะใจเราอาจจะ ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยอยู่บ้านเฉยๆนอนดีกว่าหรือถ้ามีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็เลยจะไม่ได้ไปทำสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรานี่คือคำว่าทิฏฐานแปลว่าความตั้งใจไม่ใช่แปลว่าขอโยมถามได้แนละ้วพูดใกล้ๆหน่อยจ้ะเสียงไม่ดังอืมโยมอาดังเปิดแล้วพูดใกล้ๆปาก กาบเรียนท่านคือความแตกต่างระหว่างพบกับชาตินะเจ้าค่ะอันเดียวกันนี่ยพบกับชาติก็คือพบก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นพบชาติก็คือชาติก็คือเกิดแก่เจ็บตายหนึ่งรอบนี้ก็เรียกหนึ่งชาตินีกิในพบของมนุษย์พบของเทวดาเนี่ยพบก็คือเป็นเป็นชาติต่างๆพูดอย่างนี้ดีกว่ามนุษย์นี่ก็เป็นพบหนึ่งเทวดาก็เป็นพบหนึ่งพรหมก็เป็นพบหนึ่ง ชาติก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยหรือจะแปลว่าคำเดียวกันก็ได้ชาติกับภพบคำว่าชาติจริงๆก็แปลว่าเกิดชาติชาติมรณะแนะปลว่าดับเกิดดับแต่เราใช้คำว่าชาติกับภพบเป็นคำเดียวกันกนะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นหนึ่งภพชาติเกิดเป็นเทวดาก็หนึ่งภพชาติ ท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันลึกซึ้งมากเกินไปไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้นค่ะขอบคุณค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะปีใหม่ที่จะถึงนี้เราควรทำบุญแบบไหนดีคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวและเพื่ออุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะ ก็ทำบุญทุกวันทั้งปีเนี่ยอย่าทำอย่าทาเฉพาะวันขึ้นปีใหม่เท่านั้นมันน้อยเกินไปถ้าอยากจะทำให้บุญมากๆต้องทำทุกวันใส่บาตรทุกวันหรือทำบุญทุกวันทำทานทุกวันวันละมากวันละน้อยก็แล้วแต่กำลังของเราบาตสองบาทก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำคำถามจากผู้ไม่ขอเอ่ยนามค่ะกราบพระอาจารย์ครับผม สังเกตได้ว่าอารมณ์ต่างๆจะเป็นตัวเคลือบความจริงให้เราหลงไปได้ง่ายเรามีวิธีจัดการไม่ให้หลงในอารมณ์อย่างไรครับและมีอารมณ์ไหนไหมครับที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตรายก็อารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมไม่เป็นโทษอารมณ์ที่เป็นกิเลสก็เป็นโทษอารมณ์ธรรมก็คืออารมณ์ของความสงบนี่ทาใจให้สงบ อออันนนนี้ก็็เปาารมณ์ย่่งงหึคําถามจากคุณวิค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายความอยากที่เป็นกิเลสเจ้าค่ะความอยากที่เป็นกิเลสก็อยากร่ำอยากรวยอยากได้แฟนอยากไปเที่ยวอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากรล่ออยากรวยอยากสาวอยากสวยอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เป็นกิเลสทั้งนั้น คำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะการปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนและบรรลุเร็วหรือช้าภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีขึ้นกับกำลังสติหรือทั้งสติสมาธิปัญญาหรืออื่นๆคะก็ต้องทั้งสติตั้งทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามตัวนี้ต้องให้มันเต็มร้อยแล้วมันก็จะบรรลุได้คำถามจากคุณอุ ค, ค่ะ วิธีปฏิบัติเวลาคนอื่นทาให้เราโกรธโดยไม่ตั้งใจเราควรให้อภัยแต่บางครั้งเราเผลอทำให้ผู้อื่นโกรธแต่เขาไม่ให้อภัยเราทำให้เรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเราควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องคะเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาเขาจะให้อภัยหรือไม่อภัยเราใบบังคับเขาไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องยุติธรรมไม่ยุติธรรมมันเรื่องอยู่ที่ว่า ให้อภัยได้หรือให้อภัยไม่ได้คนที่ให้อภัยได้นั้นสบายกว่าคนให้อภัยไม่ได้เพราะคนให้อภัยได้ใจจะสงบคนที่ให้อภัยไม่ได้ใจจะร้อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นกังวลกับเรื่องของเราว่าเราให้ให้อภัยได้หรือเปล่าถ้าเราต้องการความสงบต้องการความสบายใจเราก็ให้อภัยไปคําถามจากคุณแคนชิโร่ค่ะ คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธมีโอกาสเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ไหมครับก็พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ถือนับถือศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนค้นหาวิธีไปปฏิภานเองท่านก็สามารถไปถึงนิพพานได้แล้วพอพระพุทธเจ้าเอาคําสอนมาสอนคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขาก็ไปถึงนิพพานได้แต่ก็ต้องมีคนสอน ถ้าก็ไม่มีคนสอนเข า, เาไปไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ทางไปนิพพานนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรตวแล้วพระองค์ก็ไปสอนคนที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นนักบวชในาศาสนาอื่นทั้งนั้นแต่พอสอนเสร็จเขาก็มาขอสมัครเป็นลูกศิษย์มาขอบวชอยู่ในาศาสนาพุทธต่อไปคําถามจากคุณพี โ, โกคะ่ะถ้าเพื่อนเลี้ยงกุ้ง โดยนํากุ้งเป็นเป็นมาเผาเราซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้กินเข้าไปโดยไม่ได้ยับยัง้งถือว่าเราผิดศีลข้อหนึ่งหรือบกพร่องครับถ้าเราไม่ไปสั่งให้เขาทําเราไม่บาปถ้าเราไม่สั่งเขาหรือไม่ทําเองไม่บาปจะบาปก็ต่อเมื่อเราสั่งเขาบอกเขาหรือทําเองแต่ถ้าเขาทาโดยที่เราไม่ได้พูดทําเสร็จก็เอามาให้เรากินไม่บาป